การสอบสวนทวนความว่าเหตุที่สังคมไทยล้มลุกคลุกขานโดยเฉลี่ยสิปีต่อหนึ่งครั้งเนี่ยมาจากอะไรบ้างค้น<ะ>ให้พบสมุดฐานของโรคที่ทำให้สังคมไทยล้มลุกคลุกขานของกันของแล้วก็สาปฏิรูปการศึกษาอย่างขนาดใหญ่เลยให้เด็กของเรามีวิธีคิดที่ถูกต้อง<ะ>มีวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีโทเอกออกมาแล้วสุดท้ายก็ยังกลับไปทรงเจ้าข้าผีเหมือนเดิมสี่ปฏิรูปสื่อมวลชนเพราะสื่อมวลชนคือมหาวิทยาลัยเปิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ทุกวันนี้เราไดใ้ใช้สื่อมวลชนในการมอมชนแตมาจีวเรียกว่าสื่อหมอมชนเปิดไปดูสิมีแต่เกมโชว์ทั้งนั้นเลยบางทีก็เปิดไปดูก็เจอดารามาเล่าเรื่องนั้นมาเล่าเรื่องนี้ในชีวิตแตามาไม่เคย อ, อยากรู้เรื่องของคุณเลยนะ เปิดช่วงไหนก็เจอเห็นไหมพอเราไม่ดูทีวีก็หาว่าเราไม่อินเทรนด์รายการดีๆแบบนี้ต้องเสียเงินดูนะอันนี้แหละเป็นเป็นสาเหตุหนึ่งของการพัฒนาสังคมไทยไม่ได้เพราะอะไรเราจะพัฒนาสังคมไม่ได้ตราบใดที่คนของเรายังโง่ะเราจะพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนไม่ได้ตราบใดก็ตามที่เรายังพัฒนาบนฐานที่เลื่อยต้องเปลี่ยนสังคมทางให้เป็นสังคมฐานความรู้ ทุกวันนี้มันเป็นสังคมฐานความเชื่อค่ะพอเราจะพัฒนาปุ๊บไม่เชื่ออย่าลบลู่ของเดิมเขาทำดีอยู่แล้วอย่าเปลี่ยนท้ อ, อคิดอย่างเงี้ยเราก็ไปข้างหน้าไม่ได้ยักตื้นติดกึบยัดลึกติดกักใช่ไหมค่ะไปไหนไม่ได้สุดท้ายเราก็ไปดูเกมชอเหมือนเดิมฟังฟังดูแลพระอาจารย์คะมึงก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะสาหรับการตัดกรรมค่ะให้หาสาเหตุแห่งกรรมให้เจอ เชื่อในกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทําชั่วให้ชั่วอย่าพึงเชื่อว่าคนที่ทํากรรมแล้วก็ไม่เห็นในเห็นเขามีความสุขดีอย่าเชื่อแบบนั้นเพราะมันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นทั้งในอดีตและอนาคตนะครัอาจารย์แล้วเวลาที่เขาไปตักกรรมไงบางครั้งบอกว่าให้สวดมนต์บางคนก็บอกว่าสวดมนต์ก็ไม่ใช่สิ่งที่เสียหายอะไรนี่พระอาจารย์สวดมนต์นี่ช่วยไหมคะสวดมนต์ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอาจารย์ที่สอนมีปรัชนากรรมฐานให้ตมาท่านบอกว่าสวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากินโรคบางโรคก็ต้องใช้ยาทาโรคบางโรคก็ต้องใช้ภาวนาคือการผ่าตัดโรคอะไรที่ใช้ยาทาก็โรคกังวลโรคนอนไม่หลับอย่างนี้ก็ใช้ยาทาก็หมันส่วนมนส่วนมลมากๆติดมันก็หายฟุ้งซ่านมันก็นอนหลับใช่ไหมแต่โรคบางโรคมันต้องผ่าตัดเช่นกีเลสในใจเนี่ยความโลภความโกรธความหลงที่มันฝังลึกอยู่ในเของเราน การศึกษาก็เปลี่ยนไม่ได้มีคนจำนวนมากที่ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีแต่ว่าการศึกษานั้นไม่ได้ทำให้เขาเป็นคนดีการศึกษากลายเป็นเครื่องมือในการทำให้เขาเป็นคนเลวได้อย่างแ น, บเ น, น, นบเนียนและก็แยบยนต์มากกว่าเพราะฉะนั้นลำพังการศึกษาทางโลกอย่างเดียวไม่พอต้องเอาการศึกษาทางธรรมเข้าไปให้คนมีความรู้ทางโลกแล้วก็มีความรู้ทางธรรม ความรู้ทางโลกทําให้ทำมหากินเป็นแต่ความรู้ทางธรรมนี้จะทําให้การทํามหากินของเขานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนอื่นและก็ตัวเองอฉะนั้นมีความรู้ทางโลกที่ไห น, นต้องมีความรู้ทางธรรมอยู่ที่นั่นเพื่อจะได้กํากับกันที่เขาบอกว่าความรู้คู่คุณนธรรมค่ะจะต้องไปด้วยกันเสมอถ้าไม่ไปด้วยกันเมื่อไหร่ลําพังการศึกษาทางโลกอย่างเดียวไม่ใช่หลักประกันความเจริญค่ะเมืองไทยตอนนี้เต็มไปด้วยคนที่มีปริญญา อตาตมาอยากจะพูดว่าในสังคมไทยณเวลานี้เนี่ยมีคนที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามากกว่าทุกยุคทุกสมัยเพราะมีหลักสูตรการศึกษาพิเศษเกิดขึ้นมากมายแต่น่าสงสัยว่าทําไมเมื่อมีคนจบปริญญามากๆประเทศไทยถึงแย่ลงแย่ลงนั่นคือเรามีปริญญาแต่ยังขาดปัญญาถูกต้องไหมค่านิยมที่เรียกกันว่าปริญญานิยมครอบงำสังคมไทยเต็มไปหมดนักการเมืองหลายคนเป็นรัฐมนตรีบริหารประเทศชาติมาเป็นสิบปี ยังหาเวลาว่างไปเรียนหนังสือเอาปริญญาเพราะอะไรเพราะคิดว่าการมีปริญญานั้นคือการเป็นคนมีเกียรติทั้งๆ ท, ที่การที่คุณทํางานให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นน่ะมันมีเกียรติเสียยิ่งกว่าเกียรติทั้งปวงอีกนะค่ะเพราะเราเข้าใจว่าปริญญาคือที่มาของเกียรติเราก็จึงพากันอยากได้ปริญญาแม้แต่ปรอมวิทยานิพน์เราก็ทําปริญญาที่ถูกต้องต้องเป็นที่มาของปัญญาสังคมไทยคิดว่าปริญญาคือที่มาของเกียรติ กจึงเห่กันไปเรียนหนังสือใช้เงินเยอะมากเชิญผ่อนไม่ไม่อยากได้ไม่อยากได้ปัญญาแต่อยากได้ปริญญาเพราะคิดว่ามันจะทําให้มีเกียรติค่ะแทนที่จริงนี้คือข้านิยมที่จอมปลอมแล้วก็หลอกลวงเป็นมายาอืถ้าจะไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่ง น, นะที่ทำให้สังคมไทยเราไปไม่ถึงไหนค่ะมีคนถามมาอย่นะคะบอกว่าจตุคามรามเทพคือเราพูดถึงเรื่องเทพเป็นเยอะนะฮะเมื่อกี้นี้ ถามว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงไหมาถามสั้นๆอย่างเงี้ยฮะประมาณอย่างเช่นเราควรให้หลักคิดยังิงพรพ<ะ>ระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์สอนตรงกันค่ะว่าใดๆในโลกเป็นไปตามเหตุตามผลไม่ได้เป็นไปตามการอ้อนวอนหรือการดนบันดาลประทานพรเพราะฉะนั้นถ้ายึดหลักพระพุทธศาสนาแล้วในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์คุณตัดทิ้งไปไม่มีเพราะอะไรคนกดพิมพ์จตุคามรามเทพก็เป็นมนุษย์ ท่านเองก็ไม่ได้สามารถสร้างตัวท่านเองได้ก็มนุษย์นี่แหละสร้างมนุษย์นี่แหละโฆษณาสรรพคุณมนุษย์นี่แหละปั่นราคาแล้วก็มนุษย์นี่แหละหลอกกันเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเทพเจ้ายังไม่สามารถสร้างตัวเองได้เลยมนุษย์สร้างแล้วมนุษย์เนี่ยก็ยกสถานะขึ้นให้เทพ น, นั้นเหนือกว่ามนุษย์ทางดังนนี้ตัวเองสามารถสร้างเทพได้ก็ยังมาดูถูกตัวเองให้เทพที่ตัวเองสร้างมาสร้างตัว อ, อีกต่อนมนุษย์นี่หลอกตัวเองหลายแต่หลอกยังไม่พอละหลอกคนอื eben. ่นอีก ฉะนั้นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาถามว่ามีจริงไหมถ้าความศักดิ์สิทธิ์นั้นจะมีจริงก็เป็นความศักดิ์สิทธิ์ทางสติปัญญามากกว่าค่ะพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเอาไว้ว่าในบรรดาปาฏิหาริ์ที่มีอยู่เนี่ยมีสามปาฏิหาริ์ท่านใช้คําว่าหนึ่งอิทธิ ป, ปาฏิหาริ์อิทธิ ป, ปาฏิหาริ์เกิดขึ้นจากการฝึกสมาธิภ า, าวนาล่อมหอนหายตัวได้นะสองอาเทศนาปาฏิหาริ์สื่งสามารถรู้จิตใจคนอื่นได้แล้วก็สาม อนุสาสนีปาฏิหารปาฏิหารที่เกิดจากการสอนด้วยเหตุด้วยผลแล้วผู้ฟังตรองตามให้เห็นจริงได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จด้วยสติปัญญาของตัวเองในบรรดาปาฏิหารสามอย่างรพระพุทธเจ้าบอกว่าอนุสาสนีปาฏิหารคือปาฏิหารแห่งปัญญาคือส่วนยอดของปาฏิหารค่ะเพราะอะไรเพราะอิทธิปาฏิหารเกิดได้ชั่วครั้งชั่วคราวอาเทศนาปาฏิหารเกิดได้ชั่วครั้งชั่วคราวและก็บางคน แต่อนุศาสนีปาติหารเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนอืถ้าคุณสนใจธรรมะสนใจศึกษาหาความรู้ค่ะปัญญาปาติหารเกิดขึ้นกับเราได้ทุกคนและสิ่งนี้ไม่ต้องเชื่อเทพเบื้องบนเกิดขึ้นด้วยมันสมองสองมือของเรานี่เองเห็นไหมดังนั้นถ้าอยากจะเชื่อปาติหารก็ขอให้เชื่อปัญญาปาติหารดีที่สุดตรวจสอบได้ด้วย่ ถ้าหากว่าคิดว่ามีไว้บูชาไว้แล้วถูกหวยทุกคนก็คงจะถูกรางวัลที่หนึ่งพร้อมกันหมดชิันทรถ้าสิ่งเหล่านี้ศักดิ์สิสทธิ์จริงในสังคมไทยไม่มีคนจนในสังคมไทยไม่มีคนผิดหวังในสังคมไทยนี้ไม่มีการตีชิงวิ่งราวหรอกทุกอย่างจะดูดีบริสุทธิ์บริบูรณ์หมดเพราะอะไรเพราะสังคมไทยมีเทพชนิดให้ขออยู่แล้วแล้วก็มหาเศรษฐีโลกก็ไม่ได้่ห้อยกันใช่ไหมชิันทรบิวเกสเขาไม่รู้จักเจดูคามรามเทพเงินทองเขาล้นเหลือ เห็นไหมเขาใช้มันสมองแล้สองมือเท่านั้นเองค่ะเราต้องกระตุกสังคมไปบ้างใช่ไหมใช่แล้ว จ, จำเป็นต้องกระตุกกระเตือนบางครั้งก็ต้องกระทุ่งบ้างเพราะสังคมไทยของเรากําลังเดินผิดทิศผิดทางอย่างมโหะานเลยออืฝรั่งนี่เขากําลังฮือฮากับเรื่องของพุทธปรัชญามากเชในขณะที่เรานี่กําลังไปทางหนึ่งเลยไปคนละทางฝรั่งเขาสนใจพุทธศาสนาเขามาฝึกสมาธิภาวนา อาตมาเจ อ, อนักวิชาการคนหนึ่งอยู่ที่อังกฤษสนใจพุทธศาสนาไปบวชอยู่กับหลวงพ่อชาสองปีจากนั้นจึงมาทําวิจัยมาสัมภาษณ์อาตมาทุกวันนี้กลับไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่ประเทศของตัวเองเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเขามาขุดเอาส่วนที่ดีที่สุดของพุทธศาสนาในบางไทยแล้วไปเผยแผ่ในบ้านเมืองของเขาแต่เราคนไทยเนี่ยไปเอาอะไรเอาส่วนที่ไม่ดีที่สุดมา <c oughs> เช่นคนไทยกลุ่มหนึ่ง ไปที่สังเวชเนียสถานสี่ที่พระพุทธเจ้าป็นสูตรตรัสรู้ปรันี่ผ่านแสดงธรรมก็ไปขุดเอาดินมาเอามาทําอะไรเอามาบูชาเอามาบูชาแล้วเอามาทําพระรอดอย่างวัดเชตวันน่ะที่เมืองไทยก็มีวัดเชตวันหลายที่นะวัดเชตวันในคู่กันกันกบพระรอดเชตวันบอกว่ารุ่นนี้ดีที่สุดอาตมาไปอินเดียเที่ยวนี้ไปวัดเชตวันก็มีแขกเอาพระรอดมาขาย <c oughs> <c oughs> อาตมาก็เลยบอกว่าเนี่ย โยมยังเอาตัวเองไม่รอดแต่พระรอดเต็มตะกร้านะอ uh huh. เอาตัวเองให้รอดก่อนดิ <c oughs> เห็นไหมแขกเดินกลับเลยวันนั้นอ uh huh. เป็นเ <Ch> <ๆ>นี่ยคื อ, ค, อคือความกำงาบสําเร็จรูปพระอาจารย์เคยเล่าเรื่องมหาวิทยาลัยตอนนี้ที่กําลังเป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกเจริญพรที่มีคนต้องไปดูงานเจริญพรอันนั้นเป็นแนวอะไรนะพระอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เด่นที่สุดเป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกชื่อมหาวิทยาลัยนารอบะเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของพระที่เบญ อยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่สหรัฐแต่ในขณะที่ฝรั่งกังเหิรพุทธศาสนาเหิรพุทธปรัชญานี่แหละเราคนไทยเนี่ยกําลังเหิรอะไรเหิรเทพเหิรเครื่องรางของขลังตอนนี้มีบางมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรสอนเรื่องการศึกษาการสร้างการพัฒนาพระเครื่องในบางไทยที่ไหนฮะอันนี้จะมาพับข อ, ขอสงวนไว้ดีกว่าในเมืองไทยอะะในเมืองไทยมีมหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดให้เป็นภาควิชาศึกษาเรื่อง ของพระเครื่องในทุกแง่ทุกมุมทุกรูปแบบเพื่อเราไปทําอะไรคะในแง่หนึ่งเขาอาจจะบอกว่าในฐานะที่เป็นศรริลปะในง่หนึ่งอาจจะบอกว่าเป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสต ร, ร์แต่ตมาก็อยากจะตั้งคําถามว่ามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ผลิตอะไรกันแน่มหาวิทยาลัยกําลังจะสร้างคนหรือกําลังจะสร้างวัตถุมงคลเพราะตอนนี้มหาวิทยาลัยบางแห่งออกนอกระบบค่ะต้องหางก่อนเลยเป็นธุรกิจเพราะฉะนั้นไม่แน่ว่า จะดูคามรามาเทพรุ่นต่อไปนี้มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะทำเองอแลวต่อไปก็อาจจะมีการมอบดุษฎีบันฑดตใช่ไหมสาขาการสร้างเทพแล้ววิชาการตลาดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยก็มาเรียนจากหลวงพ่อหลวงพี่ทีเ่เก่งเรื่องการปลูกเสกดีกว่าเพราะท่านเก่งกว่าเยอะเลย อ, อันนี้คือคือรูปแบบหนึ่งของความงมงายที่ออกมาในนามของพระพุทธศาสนา แล้วกลายเป็นกระแสหลักของสังคมไทยในหลายที่คนที่พิมพ์พระไตรปิฎกที่เผยแพร่มากสุดในโลกทุกวันนี้ก็ไม่ใช่คนไทยจีร翰เป็นฝรั่งเป็นฝรั่งซะมากกว่าพระไตรปิฎกที่นิยมแจกกันมากๆตอนนี้รู้สึกจะพิมพ์กันในมาลเลเซียแล้วก็ไม่ใช่คนไทยค่ะแล้วคนไทยพิมพ์อะไรตอนนี้คนไทยพิมพ์ยอดพระกันตรายปิฎกมากที่สุดในโลกเลยยอดระกันตรายปิฎกก็ไม่สามารถที่จะแปลได้เป็นบาลีผีบอก อย่างที่ธรตมมาภาพเคยพูดไว้หลายครั้งเช่นที่ตั้งมาตั้งมาตั้งที่กูจะนั่งอย่างเนี้ยแปลเป็นอะไรโยมก็สวดเข้าไปจิตที่ตั้งมาตั้งมาตังที่กูจะนั่งเป็นบาลีหมดนะแต่มันเป็นบาลีผีบอกแล้วก็เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งมาตังก็คือที่ตั้งไม่ตั้งมาตังที่กูจะนั่งก็คือมาตั้งที่กูจะนั่งเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยสังคมไทยค่ะ แม้แต่ภาษาบาลีบทสวดมนต์ที่ใช้ก็ไม่เข้าใจสวดผิดสวดถูกแล้วก็เหฮเห็นพิมพ์กันครั้งละเป็นหมื่นเป็นแสนเล่ ม, มในขณะที่บทสวดมนต์ที่เป็นแก่นเป็นสารไม่เอามาพิมพ์ไม่เอามาเผยแพร่ไม่เอามาสวดค่ะบทที่เอามาสวดเอามาเผยแพร่นั้นเป็นบทสวดมนต์ที่มีบรรยากาศในลักษณะของครังศักดิ์สศรียสยเวทวิทยาทั้งนั้นสวดแล้วจะมีชีวิตที่ดีเชิญผ่อนเพราะเราเชื่ออย่างนี้สังคมไทยนี่บางทีอยากจะเปลียบ ว, ว่ามีพลอย แต่ว่าไม่เห็นคุณค่าของรอยหรอกเอาไปโยนให้ไก่เขียเล่นทั้งหมดเลยออืแล้วเราไปยกไปย่องคําสอนที่ผิดลัดทธิที่ผิดแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ผิดผิดให้ขึ้นมาครอบงำสังคมไทยสังคมไทยเนี่ยมีสิ่งที่ดีที่สุดมากมายมหาศาลโดยเฉพาะยิงทรัพยากรธรรมชาติแต่น่าเสียดายว่าคนของเราไม่ค่อยรู้คุณค่าแม้แต่ประวัติศาสตร์คนไทยก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้มีมีคนคนหนึ่งไปคุยกับตมาบอกว่าท่านอาจารย์ หนูเกลียดพม่าที่สุดเลยทําไมเกลียดก็หนูไปดูสูริโยไทยแล้วก็ตามเรพระนเรสวนเจริญอรบอกว่าเกลียดอัตมาบอกว่าทำไมคุณไปเกลียดคุณต้องเข้าใจสิว่าหนังเรื่องพระนเรศวรเนี่ยที่เขาสู้ๆกันอยู่ในไม่ใช่ไทยกับพมา่าสู้กันคุณไม่เกลียดพม่าทําไมพม่าเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ปีนี่เองตอนที่อังกฤษไปอังกฤษกับฝรั่งเศสมารบกันในย่า น, นี้แล้วก็แบ่งเขตแบ่งแดนว่าอันนี้ไทยอันนี้พมา่าพม่าเพิ่งเกิดขึ้น ที่รบกรันในหนังสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยหงสาวดีกับอายุทยาเห็นไหมมีไม่มีไทยไหมค่ะไทยไม่มีกรุงเทพเพิ่งเกิดข fallen, ึ้นกี่ปีอ่ะสองรอยกว่า <podcast> ป <kelijk> <one> ีใช่ไหมที่รบกันโครมโครมเน่ยของสาวดีกับอายุทยาแล้วคนอยุธยาก็ตายหมดแล้วคนของสาวดีก็ตายหมดแล้วคุณมานั่งเกลียดกันเพราะอะไรเพราะคุณเรียนประวัติศาสตร์แบบผิดผิดเห็นมไหมการมีความรู้ผิดผิด ทำให้เราเกลียดชังเพื่อนบ้านของเรานี่ก็ตัวอย่างหนึ่งนะที่เป็นความเข้าใจผิดที่ที่เป็นมะเร็งซ่อนอยู่ในสังคมไทยแล้วก็ทําให้มนุษย์มีท่านหนึ่งถามว่ามนุษย์ก็ฆ่าฟันกันมากขึ้นในสังคมเพราะตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะคือการมีความรู้ที่ผิดเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดทําให้คนเราเกลียดชังกันแบ่งแยกกันประหารประหารกันดังนั้นตัวอย่างที่บอกว่าของสวัสดีรบกับอโยธยาคนไทยก็ามาตีความวาไทยรบพม่า แล้วจนทุกวันนี้เราเลยเกลียดที่น้องชาวปพมา่ทาทั้งๆที่ชาวพม่าเขาก็ไม่ได้เกลียดคนไทยค่ะนี่คือโลกทัะทำที่ผิดพลาดลวพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมกันแรกสิ่งที่พูดก่อนเรื่องอื่นใดคือสัมมาถถทิฏฐิสแสดงว่าอยากจะให้คนเราเชื่อให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วทุกอย่างมันจะดีเองใช่ไห ม, มถ้าเรื่องความเชื่อไม่สําคัญทำไมต้องยกเป็นข้อนหนึ่งในมรรคแปดเห็นไหมดังนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมก็เช่นเดียวกันถ้าคุณอยากจะเข้าใจกฎแห่งกรรมคุณต้องเข้าใจกฎแห่งกรรม ที่เป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาให้ถูกต้องถ้าจับหลักตรงนั้นได้แล้วเนี่ยแก้ปัญหาสังคมไทยได้ทั้งระบบแล้วก็จะมีคําตอบให้กับหลายๆเรื่องที่ที่ท่านสงสัยเช่นจะกําจัดปวกแล้วก็กําจัดตัวต่อเนี่ยบาปไหมคะเชลยพรเหล่านี้เนี่ยถ้าถามในแง่มุมของพุทธศาสนาบาปหมด <c oughs> การที่เป็นาสิ่งมีชีวิตถือว่าเป็นบาปหมดแต่ต้องถามต่อไปว่าบาปมากบาปน้อยค่ะ <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจัด ว่าสัตว์นั้นมีคนมากหรือมีคนน้อยถ้ามีคนมากก็บาปมากมีคนน้อยก็บาปน้อยก็ว่าไปตามส่วนแต่ที่จะไม่บาปนั้นไม่มีออืแล้วควรทําหรือไม่ควรทําก็ไม่รู้ค่ะกแล้วบาปนี้มันจะส่งผลอะไรเรา เ, เ, เราก็กกต้องไมสมมุติตัวเองว่าเอา้าสมมุติว่าเราเป็นปลวกแล้วมีคนจะท่าเรานี่พาใจเขามาใส่ใจเราเราก็จะตอบได้ใช่ไหมว่าเราอยากให้เขาทําหรือไม่ทําควรทําหรือไม่ควรทําก็ เราก็อนุโมทนาบ้านสักหลังหนึ่งให้ปลวกต้องขอบคุณปลวกสิคือเราไปสร้างแล้วไม่อยู่เขาก็มากินเขากําลังมาเตือนเราอย่าประมาทใช่ไหมละ่ะอย่าไปโกรธปลวกเลยถ้าคุณเอาชนะปลวกไม่ได้ก็อย่าไปเป็นคนมันเลยใช่ไหมสติปัญญามนุษย์มันวิเศษกว่าปลวกนะคะท่านนี้บอกว่าเทพมีหลายชั้นเทพชั้นสูงที่อยากจะทํากุศลช่วยเหลือมนุษย์ก็มีอยู่เพราะเทพก็อยากทํากุศล ยมเห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านพูดแต่ขอให้ท่านเปิดช่องว่างให้ปรากฏการที่เหลือธรรมชาติซึ่งอาจจะเหลือวิสัยของมนุษย์ธรรมดาที่มียานอย่างรู้ได้จุิญพนอันนี้พุทธศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธเทพในวัฒนธรรมพุทธคุณยอมจะเห็นไว้ว่ามีสิบหกเขาเรียกวันหกสวรรค์แล้วก็สิบหกชั้นพรมใช่ไหมค่ะพรมเราก็ไม่ปฏิเสธสวรรค์เราก็ไม่ปฏิเสธเทวดาเราก็ไม่ปฏิเสธแต่มีข้อแม้อย่างนี้ว่า สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเมื่ออามาเทียบกันกับสิ่งที่มนุษย์มีอยู่ยังสู้มนุษย์ไม่ได้คนที่ไปเป็นพรหมเป็นอะไรสุดท้ายก็พบกับความไม่เที่ยงค่ะ<ฆ>เช่นในคาถาพาะหงจะมีบทอยู่บทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดพระกะพรหมพระกาพรหมนี้มีความเข้าใจว่าตัวแกเองนั้นเป็นผู้สร้างโลกเพราะว่าแกมีอายุยืนเหลือเกินแกเลยคิดว่าฉันนี่แหละเป็นมหาอาณาจักรเป็นพระผู้สร้างที่แท้จริงมนุษย์อยู่ใต้อาณัาจ ข, ของฉันทั้งหมดพุทธเจ้าขึ้นไปสอนบอกว่า ท่านพรมท่านกําลังเข้าใจผิดนะก็เลยปราบกันไปปราบกันมาสุดท้ายพรมก็ยอมแพ้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอํานาจของท่านไม่จีร้างหรอกเดี๋ยวท่านก็ต้องไปจุติแล้วพอพระกับพรมเข้าใจถูกต้องก็เลยกลายเป็นหนึ่งในตํานานของการต่อสู้กับอุปสรรคของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มาร่วมเป็นคาถาพระหงเรียกว่าคาถาชัยชนะค่ะเห็นไหมว่าแม้แต่พระพรมที่มีอยู่ต่อเมื่อได้พบกับพระพุทธเจ้าพระพรมก็เปลี่ยนโล ก, กทัศน์มายอมรับนับถือพระพุทธเจ้า ดังนั้นในพุทธศาสนานี้ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหนือสามัญวิสัยแต่มีข้อแม้นะว่าตัวที่จะวัดวิถีชีวิตของเราจริงๆไม่ใช่สิ่งเหนือสามัญวิสัยคือมันสมองสองบือของมนุษย์นี่เองดังนั้นสิ่งเหนือสามัญวิสัยก็มีอยู่และเราก็ไม่ปฏิเสธแต่เราไม่มอบกายถวายชีวิตให้กับสิ่งเหนือสามัญวิสัยเหล่านั้นเพราะเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนค่ะเห็นไหมพูดอย่างนี้ต้องจําแนกให้ชัดเดี๋ยวจะหาว่ามาไปดูถูก เทพทั้งหลายบรรดารมีพุทธศาสนาไม่เคยดูถูกเทพอัตมาก็ไม่เคยดูถูกเทพแต่ว่าเทพนั้นมีอยู่ในฐานะเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันกันกบเราเรานับถือเทพก็ได้ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายแต่ไม่ใช่นับถือแล้วก็ยอมมอบการถวายชีวิตเป็นค่าของเทพค่ะเพราะแท้ที่จริงนั้นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่นั้นประเสริฐกว่าสิ่งที่เทพมีอันนี้คือทัศนะที่ชัดเจนของพุทธศาสนาค่ะ พระอาจารย์เคยได้ยินเพื่อนเพื่อนคนหนึงเป็นคนชอบวิปัสสนามากนะคะบอกว่าชีวิตจะดีได้เศรษฐสมาธิปัญญาปัญญาเขาบอกว่าด้านมาจากการวิปัสนานี่คือสูงสุดใช่ไหมคะพระอาจารย์จุฬาพทั้งหมดนี้คือกรรดีหรื อ, อยังไงคะเขาตึองคิดอย่างนี้ศรษสมาธิปัญญานี้เป็นมรรควิธีในการทําความดีหรือในการทําความดีค่ะการทําความดีเนี่ยจะมีหลายวิธีแต่ถ้าสารุปให้สั้นก็คือศีลเป็นคนดีในเชิงพฤติกรรมค่ะสมาธิเป็นคนดีในเชิงจิตใจ และปัญญาก็คือการเป็นคนดีในเชิงการเข้าใจโลกและชีวิตอย่างท่องแพ้ถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเราได้ทําการดีสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วค่ะฉะนั้นที่บอกว่าการภาวนาหรือการปฏิบัติวิปสัสสนาการรมฐานเป็นบุญอย่างสูงสุดก็ถูกต้องเพรา ะ, ะบุญอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นบุญในลักษณะที่เรียกกันว่าเป็นบุญขั้นพื้นฐานสมมุติว่าคุณยอมมีทุกข์ทุกข์หนักหนาสหัสเลยแกยังไงก็ไม่หายก็ไปทําบุญสังฆทาน มันก็ช่วยได้แต่พอกลับบ้านก็มาคิดถึงความทุกนั้นอีกแล้วทุกยังไม่ดับแต่พอไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกดับอันนี้จะขอเล่าตัวอย่างความจริงให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะถึงขนาดว่าผีไม่เผาเงาไม่เกลียบเจอเขาที่ไหนโกรธนั่งอ่านหนังสือพิมเจอเจอหน้าเพื่อนก็โกรธเรื่องจริงแ น, น่เลยเรื่องจริงเลย <laughs> เขาทะเลาะบอกแย่งกัน เป็นคนในวงการด้วยวงการบันเทิงเดี๋ยวจบแล้วพ่อจาร่าให้ฟังหน่อยนะฮะเห็นไหมแกยังไงก็ไม่หายค้างไว้สิบปีโอวันหนึ่งไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตอนที่กำลังนั่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ดีๆจู่ๆสติมันเกิดรวมตัวกันขึ้นมาความหลังเนี่ยมันอยู่ได้เพราะเราไม่มีสติพอเรามีสติความหลังซึ่งเป็นอดีตมันก็สลายตัวนาทีที่เธอมีสติสมบูรณ์นั้นเธอไม่นึกถึงเพื่อน ความแค้นไม่มีตัวตนจิตเบิกบานผองใสน้ําตาไหลพราพ ร, พราด ก, กลับออกมานึกถึงเพื่อนคนนั้นด้วยความเมตตาสุดจิตสุดใจบอกตัเอฉันโง่เหลือเกินที่ที่กอดความโกรธเอาไว้นับสิบ ป, ปีเห็นไหมความโกรธก็ไม่มีตัวตนความหลังก็ไม่มีตัวตนแต่มันทําให้เราทุกข์เพราะอะไรเราขาดสติเราไปยึดมันเอาไว้พอเราไปยึดมันเอาไว้มันก็ทําร้ายจิตใจเรา แต่พอไปปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานพอสติมันเกิดขึ้นสติมันตัดฉับอยู่กับปัจจุบันพออยู่กับปัจจุบันความหลังไม่มีอนาคตไม่มีความทุกข์เข้าไม่ได้ความทุกข์ไม่มีลานจอดมันลงไม่ได้สุดท้ายคนที่ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานก็หมดความทุกข์นี่เองเขาจึงบอกว่าวิปัสสนาปัญญาเป็นปัญญาขั้มสูงสดุดทั้งแก้กรรมได้ทั้งดับทุกข์ได้ค่ะที่แก้กรรมได้ก็เหมือนผู้หญิงคนนี้ พอเธอไปปฏิบัติเกินสติชัดเจนเธอแก้กรรมได้ไหมเคยโกรธเพื่อนเคยแคนเพื่อนเธอเลิกแคนนั่นแนหะคือการแก้กรรมที่แท้จริงฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนาการการมฐานเนี่ยเป็นรากฐานของการแก้กรรมถ้าจะแก้จริงๆต้องมาตรงนี้แต่ต้องไปสํานักที่ถูกนะคะจิรันพรการแก้กรรมถ้าจะโดยสดนุนี้ก็มีสามลักษณะหนึ่งแก้ระดับความคิดเห็นไม่เคยเชื่อกวรเห่งกรรมหันมาเชื่อให้ถูกต้องซะว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วสองแก้ในระดับพฤติกรรม ความเคยชินใดๆก็ตามที่ทําให้เราทำบาปอยู่เป็นประจําเลิกความเคยชินชนิดนั้นค่ะและสารแก้ในระดับปัญญาไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานจนมีความรู้แจ้งเห็นจริงในโลกและชีวิตแล้วดําเนินชีวิตอย่างมีสติตลอดเวลานั่นแหละกฎแห่งกรรมมันเอาเราไม่อยู่เพราะอะไรในเมื่อเราไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นสภาพไร้ตัวตนก็ในเมื่อเราไร้ตัวตนกฎแห่งกรรมมันจะมาตามเล่นงานใคร มันไม่มีที่ให้เล่นงานเราของจริงนี่ใช่ไหมเราทําดีจริงมันมันมันไม่มีตัวตนให้เล่นงานกฎแห่งกรรมนี่มันจะเล่นงานได้ก็ต่อเมื่อเรามีกูมีกูก็มีกรรมกลัวจะสูญเสียเจริญพรพอไม่มีตัวตนแล้วกฎแห่งกรรมมันจะแตะต้องใครมันทําอะไรใครไม่ได้ค่ะมันมีแต่ความว่างพอเราเห็นมาโลกและชีวิตก็คือความว่างกฎแห่งกรรมมันก็แต่ต้องเราไม่ได้มันสัมผัสไม่ถูก อันนี้แหละคือที่สุดของการตัดกฎแห่งกรรมก็คือการภาวนาจนเกิดปัญญาเห็นว่าชีวิตนี้แต่ความว่างเปล่ากฎแห่งกรรมตามหาไม่พบค่ะแต่ไปสํานักที่ถูกเดี๋ยวค่อยเอาไว้ตอนต่ อ, ต อ, ต อ, ตอไปก็แล้วกันนะคะ <laughs> เดี๋ยวไปวิธีการที่ไม่ถูกก็จะมีคําถามก็ขอไล่สั้นๆนะคะท่านอาจะเพราะว่าท่านก็สนใจถามมาแล้วเราก็อยากจะที่บายเรื่องของนั่งสมาธิระฟุ้งซ่านอาซหน่อยก็แล้วกันค่ะทํายังไงจะให้ได้ผลเพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นนั่งเนี่ย เกือบครึ่งหนึ่งเป็นคนที่มีปัญหาก่อนไม่ใช่คนที่ไปด้วยจิตใจที่สงบไปก่อนอาจารย์ที่สอนนิปสนาของอาตมาบอกว่าถ้าปวดหัวอย่ามานั่งสมาธิค่ะถ้าเครียดอย่ามานั่งสมาธิยิ่งเครียดไปแล้วขอไปนั่งสมาธิมันจะยิ่งเครียดหนักขึ้นเพราะอะไรเพราะคุณจะอธิษฐานให้ตัวเองหายเครียดพอมันไม่หายคุณจะโกรธตัวเองใช่ไหมค่ะพอโกรธตัวเองก็เครียดหนักขึ้นดังนั้นอยากจะไปฝึกสมาธิให้ไปด้วยใจสบายสบาย เมื่อใจสบายดีแล้วจึงไปเริ่มฝึกสมาธิฝึกครั้งแรกมันยังไม่ดีไม่ต้องไม่ต้องโกรธตัวเองไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องสับสนวุ่นวายเป็นคนไม่มีบุญขอให้ฝึกครั้งต่อต่อไปการฝึกสมาธิภาวานานั้นทําครั้งเดียวไม่มีทางเห็นผลต้องทําไปเรื่อยๆต้องฝึกต้องฝึกไปเรื่อยๆถ้าจับทางไม่ถูกบางทีทั้งชีวิตก็ไม่เห็นผลเหมือนกับเรียนหนังสือกว่าจะเขียนหนังสือได้กว่าจะแต่งสารจะต้องใช้เวลานานใช่ไหมคการฝึกสมาธิก็เหมือนกับคนไทยเรียนภาษาอังกฤษ ป .1 ถึงม .6 2ปีค่ะถามเมื่อไร่ก็แอมฟ t h a ัง y ิวยังพูดยาวกว่านี้ไม่เป็นเพราะฝึกไม่ถูกค่ะสมาธิถ้าฝึกถูกก็เป็นสมาธิถ้าฝึกไม่ถูกก็ไม่เป็นสมาธิค่ะแล้วก็รัธินอกในพระธรรมวินนยไม่ทราบว่าพระอาจารย์พูดคำนี้บ้างหรือเปล่าคะเชิญครอยากจะขอขยายความหน่อยะคะ่ะ ลัทธินอกพระพุทธศาสน า, <อ>าก็คือขอโทษค่ะลัทธิในพระธรรมวินัยมีไหมฮะชิระพรลัทธิในพระธรรมวินัยไม่มีไม่ ม, มีมีแต่คําว่าหลักการสอนหรือหลักธรรมที่อยู่ในธรรมวินยัยเวลาพระพุทธเจ้าเทศน์ท่านจะบอกว่าทัศนะอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นลัทธิของคนอื่นแต่ทัศนะอย่างนี้อย่างนี้เป็นอริยวินยัยค่ะคําว่าอาริยวินยัยกับคําว่าธรรมวินัยเนี่ย ห, หมายถึงเป็นกรอบความคิดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและกรอบอื่นๆพระองค์ก็บอกว่าเป็นของเจ้าลัทธิอื่นค่ะ คนที่เรารู้จักเข้าไปวัดชอบฟังธรรมแล้วก็ชอบอยู่เงียบๆป่ะนะฮะไปดูนังไปฟังเพลงแล้วก็เห็นใส่สร้อยคอพระอะไรเขาก็ใส่เครื่องประดับยอย่างอื่นอ่นี้คุณธรรมอยู่ในตัวใช่ไหมคะก็น่าคิดะนะเจริญพรถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขามีของดีข้างใน <หา S 2> ก็เลยไม่เอาอะไรมาประดับข้างนอกแล้วค่ะเรื่องปัจจุบันทําไมคนไทยโหดเงียมทําร้ายเอาพ่อไปไว้ที่วัดอะไรอย่างเงี้ยทิ้งๆกันเนี่ยอันนี้ก็ดูต้องดูกรรมเก่าหลายๆอย่างใช่ไหมคะ ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะกรรมเก่าอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าลูกนั้นไม่รู้จักพระคุณพ่อพระคุณแม่คือถึงพ่อแม่เนี่ยตอนเลี้ยงเราก็ไม่เคยดีแถมทิ้งปู่ทิ้งย่ามาก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาแทนคุณพ่อโดยการทําอย่างที่พ่อเคยทำก่อนก็อย่างที่บอกว่าอยาที่บายด้วยกรรมเก่าทั้งหมดค่ะเพราะถ้าอธิบายด้วยกรรมเก่าทั้งหมดลูกเอาพ่อไปทิ้งวัดลูกก็ไม่ผิดใช่ไหมค่ะกรรมของพ่อเพราะพ่อเคยทํามาอจริงๆลูกอย่าปัดความรับผิดชอบอันนี้ไม่ถูกต้องอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากจะได้เข้าาใจตรงกันว่ ยาที่บายทุกเรื่องด้วยกรรมก่าค่ะถ้าอาจารย์เรื่องของชาวพุทธต้องทําบุญเข้าวัดเดือนละครั้งสองครั้งจะดีไหมคะไม่จำเป็นนะรเราอุดมด้วยนะคะเราปัญญาน้อยแต่ศรัทธา ม, มากใช่ไหมคะอาจารย์คือการทําบุญเนี่ยจะเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดก็ได้เพราะอะไรสินสมาธิปัญญาปฏิบัติได้ที่บ้านเลยค่ะมีชีวิตที่ไหนก็มีการปฏิบัติธรรมได้ที่นั่นแต่หากมีโอกาสก็แวะไปคุยกับครูบาอาจารย์ขอคําแนะนําบ้างก็ได้ค่ะ เปิดทีวีดูเอสทีวีจะมีรายการดีๆจันลันหอนก็ <c oughs> พบอาตมาได้ทุกวัน <c oughs> ทุกวันในรายการรอยทร <c oughs> รอยทำเกาจะเปิดให้ดูตั้งแต่ตีห้าตีห้าตีห้าถ้าเปิดเอสทีวีก็มาพบอาตมา <c oughs> ถ้าวันอาทิตย์เนี่ยนอนเซ็งเซงก็ตื่นสายสายก็ไม่เป็นไร11บเอดโมงเปิดมาอาตมาก็ไปรอแล้ว <c oughs>